วันนี้เป็นวันอาทิตย์ <c oughs> ที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจ <c oughs> ึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมซึ่งการแสดงธรรมที่นี่ก็จะมีเริ่มต้นในเวลาประมาณบ่ายสองโมงของทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดนักขาตะเลิกและวันหยุดเฉลยต่างๆ ในช่วงสามสิบนาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมแล้วสามสิบนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิ <c oughs> ทำใจให้สงบให้เกิดความสุขธรรมที่เราจะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง รสแห่งธรรมก็คือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภชนิดต่างๆที่ได้จากการไปสัมผัสกับลาบยศสารเสริญ ส, สุข ความสุขทางโลกกระทำคือลาบยศสาะะรนสนุขนี้สู้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบไม่ได้ความสงบของใจนี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันมีตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปจนถึงระดับที่สูงสุดระดับที่ เรียกว่าเป็นรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเหมือนกับการศึกษาในทางโลกการศึกษาในทางโลกก็มีปริญญาหรือมีใบประกาศนียบัตรขั้นต่างๆจากขั้นต่ำไปจนถึงขั้นที่สูงสุดคือขั้นปริญญาเอกการที่เราจะ จบปริญญาเอกได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อน<ม>เด็กๆพอโตพอจะไปโรงเรียนได้ก็จะส่งไปเรียนที่ชั้นอนุบาลก่อนเอาความรู้ระดับอนุบาลแล้วพอผ่านระดับอนุบาลก็จะได้เข้าสู่ระดับปถมมัธยมอุดมศึกษาตามลำดับ สู่การบริญญาใจโทเอกในที่สุดความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องเริ่มจากความสงบในระดับต่ำก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปจนถึงระดับที่สูงสุด ระดับต่ำก็คือเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติคือการทําทานทําบุญทําทานแล้วก็ขยับไปที่การรักษาศีลห้าจากการรักษาศีลห้าก็เพิ่มเป็นการรักษาศีลแปดจากการรักษาศีลแปดก็ไปภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นด้วยกัน ขั้นแรกก็เรียกว่าสมถาภาวนาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติพอได้ความสงบที่เกิดจากการเจริญสติคือได้สมาธิแล้วจนมีสมาธิอยู่ตลอดเวลามีความชำนาญในสมาธิแล้วจึงไปปฏิบัติขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาภาวนา เพื่อที่จะได้รับความสงบที่สูงสุดคือความสงบที่ยั่งยืนถาวรความสงบที่ได้จากขั้นสมาธิยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวจิตใจสงบในขณะที่เข้าสมาธิมีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เป็นความสุขชั่วคราว พอเวลาออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่จางหายไปก็ต้องมาปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาคือสอนใจให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้สาเหตุของการเสื่อมของความสงบของสมาธิว่าเกิดจากอะไร พอรู้แล้วก็กําจัดเหตุที่ทําให้ความสงบนั้นเสื่อมพอเหตุที่ทําให้ความสงบเสื่อมถูกกําจัดด้วยปัญญาจิตก็จะไม่ความสงบของจิตก็จะไม่เสื่อมอีกต่อไปจิตก็จะมีตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือขั้นวิปัสสนาขั้นสูงสุด ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับขั้นปริญญาเอกขั้นสมาธินี่เป็นขั้นปริญญาโทขั้นศีลศีลแปดนี่เป็นขั้นปริญญาตรีศีลห้าเป็นขั้นมัธยมการทำบุญทำทานเป็นขั้นปฐมขั้นอนุบาลได้ความสงบได้ความสุขเหมือนกัน แต่น้อยกว่าไม่มากเท่ากับขั้นสูงสุดเหมือนกับความรู้ที่ได้เรียนจากโรงเรียนความรู้ที่ได้จากขั้นอนุบาลก็น้อยกว่าความรู้ที่ได้จากขั้นประถมขั้นประถมก็น้อยกว่าขั้นมัธยมขั้นมัธยมก็น้อยกว่าขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีก็น้อยกว่าขั้นปริญญาโทขั้นปริญญาโทก็น้อยกว่าปริญญาเอก ถ้าอยากจะได้ขั้นสูงสุดก็ต้องมีการไต่เต้าขึ้นไปตามขั้นตอนไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะสัมผัสกับลถแห่งธรรมที่สูงสุดที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เหนือกว่าลถทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากการการทําหรือการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งก่อน ก็คือการทำทานทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้ <c oughs> สัมผัสกับความสงบในระดับทานก่อนการทำทานนี้จะให้ความสุขมากกว่าการเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพะความสุขที่ได้ทั้งสองแบบนี้จะต่างกัน เหมือนกับการซื้ออาหารมารับประทานกับการซื้อยาเสพติดมาเสพเงินก้อนเดียวกันนี้ไปซื้อของมาเสพแต่ความสุขนี้ได้ต่างกันซื้อยาเสพติดมาเสพก็ได้ความสุขชั่วขณะที่ได้เสพยานั้นพอไม่นานพอลิ์ของยาหมดไป ความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็ทําให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายโหยหโหยหวนิ้วโหยกับยาเสพติดอีกต่างกับการที่เอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้ออาหารมารับประทานเวลาซื้ออาหารมารับประทานเราก็ได้รับความอิ่มจากอาหารได้ความสุขจากความอิ่มของอาหารแล้วความอิ่มของอาหารนี้ ก็ตั้งอยู่ได้นานในร่างกายนี่คือประโยชน์ของการทาบุญทาทานถ้าเรามีเงินเหนือกินเหลือใช้แทนที่จะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไ ป, ไปเที่ยวสัมผัสกับมหัรสพบรรเทาต่างๆดูหนังฟังเพลงอะไรทำนองนี้ เรอซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต้องซื้อความสุขที่เราได้จากของเหล่า น, นี้มันเป็นชั่วเดียวเดียวซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาคู่หนึ่งก็ดีใจเดียวเดียวสักพักหนึ่งคู่นั้นรองเท้าคู่นั้นก็หมดความหมายไปแ ต, แต่มีความมหิวความอยากที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ หรือกระเป๋าใบใหม่อีกหรือเสื้อผ้าชุดใหม่อีกนี่นี่คือลักษณะของความสุขที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแต่เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความหิวที่จะต้องคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะ ไปซื้อไปหามาได้เวลานั้นก็จะทำให้เกิดอาการเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาเกิดอาการไม่มีความสุขขึ้นมาต่างกับเงินที่เราเอาไปทำบุญทําทานทำแล้วมันจะทำให้ใจเรารู้สึกอิ่มเอิบขึ้นมามีความสุขบางคนก็มีปิติถึงกับน้ำตาไหลก็มีในการที่เราได้ไปสงเคราะห์ไปทำคุณทำประโยชน์ ให้กับเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามจะเป็นวัดก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้เป็นโรงพยาบาลก็ได้<ม>เป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้<ม>เอาได้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้คนที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเ็าเองได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขา ช่วยสร้างความสุขให้กับเขา <Yeah. S 1> ผลก็คือมันทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขมีปิติ <Yeah. S 1> แล้วความสุขนี้ก็ไม่จางหายไปอย่างง่ายดายเหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปไปเที่ยวไปไปเสพความสุขทางด้านมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆมันจะอยู่กับใจเราไปนานกว่า น่ายังจะยังประโยชน์ให้กับใจเราไปอีกหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วในใจก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้นที่จะให้ความสุขแก่ใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใจสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลหรือบาปกรรมที่ทำเอาไว้ถ้าบาปกรรมก็เอาความทุกข์ร้อนไปกับใจ <c oughs> ถ้าบุญกุศลก็เอาความเย็นความอิ่มความสบายไปกับใจทำให้เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นมาในขณะที่ไม่มีร่างกายเราจะสามารถสังเกตการอยู่แบบที่ไม่มีร่างกายได้ของใจก็ตอนที่เวลาที่เรานอนหลับตอนที่ร่างกายนอนหลับนี่ใจก็ไม่สามารถใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขต่างๆได้ใจก็ต้องอาศัยบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้เป็นผู้ที่มาสร้างความฝันต่างๆให้ใจได้เสกถ้าเป็นอำนาจของบุญใจก็จะฝันดีถ้าเป็นอำนาจของบาปใจก็จะฝันร้าย นี่หละคือลักษณะของใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับนี่เหมือนกันใจจะเข้าสู่แดนเนโรมิตรหรือแดนแห่งความฝันต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้กระทาว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีกำลังมากกว่า บุญก็จะสร้างความฝันที่สุขที่สบายที่รื่นเริงมันเทิงใจถ้าบาปไม่มากกับบุญบาปก็จะสร้างเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเรื่องทุกข์ต่างๆเรื่องหวาดกลัวต่างๆให้กับใจได้เสพได้สัมผัส น, นี่แหละที่เรียกว่า <c oughs> การทำบุญทำทานนี้ ได้ความสุขมากกว่าการนาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสพรูปเสียงกินรสโหดทพะชนิดต่างๆถ้าไม่เชื่อลองทดลองดูต่อไปนี้ทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ดีของที่ไม่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเพราะเรามีเหลือเฟืออยู่แล้วเอาเงินการนี้ไปทําบุญทําทานหรือเวลาที่เราอยากจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราก็เปลี่ยนมามาเที่ยวที่วัดกันมาอยู่ที่วัดกันมาศึกษามาฟังเทศทังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกันบริจาคเงินให้กับวัดล้วเราจะเกิดความอิ่มเอิบใจสุขใจที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวที่ต่างๆเวลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆก็สุขแค่ขณะที่เราไปเที่ยว พอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปหมดบ่อยให้เรารู้สึกเหงาเศร้าสอ้อยง่อหเหงาว่าวีเหมือนเดิมเราจึงต้องออกไปเที่ยวบ่อยๆเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญที่วัดแลวยิ่งได้ไปปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆได้ความสงบขั้นต่างๆยิ่งทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้น จะทําให้เรานี้เวลากลับบ้านยังมีความสุขติดไปกับใจมีความอิ่มเอิบใจติดไปกับใจเป็นเวลายาวนานและอาจจะเป็นชนวนที่จะทําให้เกิดการกระทําเกิดการปฏิบัติต่อเนื่องต่อไปโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเราก็สามารถที่จะสร้างความสงบให้กับใจได้คือ การรักษาศีลขั้นขั้ น, นต่อมาคือการรักษาศีลสำหรับบางท่านอาจจะไม่มีเงินทําบุญทำทานก็สามารถข้ามขัน้นทาบุญทาทานไปสู่ขั้นรักษาศีลได้เลยการรักษาศีลจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขใจสบายใจเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใคร ใจเราจะไม่มีความหวาดภาวาไม่มีความหวาดวิตกกังวลกับอุบากกับวิบากกรรมที่เราไปทำเอาไว้เพราะเราไม่ได้ทำบาสวิบากรรมก็จะไม่เกิดกับเราเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มีกับเราแต่ถ้าเราไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทัพย์ไปประพฤติผิดในการม <c oughs> ไปพูดโกหกหลอกลวงพูด ไปดื่มโุลายาเมาเสพอบายามุกต่างๆผลก็คือจะทำให้ใจเราวุ่นวายใจเราไม่สงบใจเราทุกข์วิตกกังวลกับวิบา ก, กรรมที่จะตามมาต่อไป <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือความสงบขั้นที่สองขั้นแรกเรียกว่าการสงบด้วยการทำบุญทําทานแล้วตามมาด้วยการความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลห้า ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ <c oughs> ใจเราก็จะสงบกว่าเวลาที่เราไม่ได้รักษาศีลสังเกต ด, ดูเวลาเราทำบาปนี้ใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนทำแล้วจะรู้สึกเสียใจไม่อยากจะทำแต่ถ้าทำไปแล้วก็ห้ามความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ให้เกิดขึ้นในใจได้มันก็จะต้องเกิดถ้าไม่ไม่อยากให้ครู้สึกที่ไม่ดีปรากฏขึ้นภายในใจเนี่ย <Yeah. S 1> ก็อย่าไปทำบาปและเวลานอนหลับนี้เราก็จะไม่ฝันร้าย <Yeah. S 1> เราจะฝันดีเ <Yeah. S 1> พราะเราไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่ <Yeah. S 1> yeah. นี่เป็นการ สัมผัสกับรถแห่งธรรมขั้นที่สองคือการรักษาศีลห<ม>้าถ้าอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมขั้นภาวนาขั้นสมถะภาวนาคือการทาสมาธิทาใจให้สงบ<ม>เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะว่าศีลห้า 5, ยังไม่ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรม หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ซึ่งเป็นความสุขแบบยาเสพติดเราต้องการไปหาความสุขแบบอาหารก็คือการเจริญสตินั่งสมาธิ <c oughs> ทำใจให้สงบให้เกิดลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องการจะภาวนาได ได้ผลดีจาเป็นที่จะต้องอาศัยการรักษาศีลแปดเพิ่มศีลอีกสามข้อแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อที่สามคือการไม่ประพฤติผิดในการให้ไปเป็นการบการไม่การประพฤติพรห ม, มจรรย์ก็คือการไม่เสพการไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่มีการร่วมเพศกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมเพศกัน เอาเวลาที่เราจะใช้กับการหาความสุขแบบนี้ไปให้กับการจเจริญสตินั่งสมาธิจะดีกว่าเพราความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสงบความสุขที่ได้จากการเสพกามความเสพกามนี่ก็เป็นเหมือน ก, นการเสพยาเสพติดเสพแล้วก็ติด <c oughs> เวลาไม่ได้เสพก็จะรู้สึกเศร้าซ้าาอยโหยเหงาถ้าไม่ได้เสพมากๆก็อาจจะถึงบเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้ กิอาการรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวไม่มีความสุขอยู่คนเดียวต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยต้องมีเพื่อนเป็นคู่คองแต่ถ้าถามว่าทําใจให้สงบในสมาธิได้อยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเวแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่คู่รักคู่ครองของเราเมื่อเรามีคู่รักเราก็ต้องคอยรักคอยห่วงคอยห่วงเขา คอยวิตกคอยกังวลดู uh huh. กลัวว่าเขาจะต้องเป็นอะไรไปบ้างจากเราไปบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นต้น uh huh. หรือไม่ใช่ฉะนั้นก็บางทีอยู่ด้วยกันสองคนก็ย่อก็เหมือนกับลิ้นกับฟันย่อมมีการขบกันได้บ้าง uh huh. คนอยู่ด้วยกันสองคน uh huh. ก็อาจจะต้องมีการความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง มีการกระทาที่ไม่ถูกใจของกันและกันบ้างก็จะทำให้เกิดการไม่พึงพอใจใเกิดขึ้นเกิดการทะเลวิวาทกันขึ้นมาได้ในที่สุดความสุขที่ได้จากการมีคู่ครองก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือโทษของการหาความสุขด้วยการมีคู่ครองหาความสุขแบบอยู่คนเดียวจะ ไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมา <c oughs> อยู่คนเดียวเราชาติจะตะละก็ทะเลาะกับตัวเราเองเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็เป็นการทะเลาะระหว่างการปฏิบัติธรรมกับการกระทำของกิเลสกิเลสก็จะดึงให้เราไปทำทางของกิเลสธรรมก็จะดึงให้เราไปในทางธรรมบางครั้งก็ต้องต่อสู้กันฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ดึงไปทำกิจกรรมของฝ่ายนั้นไป บางเวลาถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่ากิเลสก็จะดึงให้ไปทำกิจกรรมของกิเลสไปเสบรูปเสียงกิ่นรดต่างๆบางเวลาถ้าธรรมมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้ไปปฏิบัติธรรมไปไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมแทนแต่ก็มีเท่านั้นปัญหาในจะไม่มีการที่จะต้องมาสูญเสียจากการพัาดพลาดจากจากจากันกับใคร อันนี้คือประโยชน์ของการรักษาสินแปดข้อที่สินข้อที่สามของสินแปดแล้วก็ให้เพิ่มสินข้อ 6, หกคือไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปรับพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ก็พอให้ดับความหิวให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว จะรับประทานมื้อหนึ่งก็ได้สองมื้อก็ได้แต่ไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วว่าการรับประทานอาหารมากมันก็เป็นการเสริมกิเลสคือการมาตัณหาการเสพอาหารการรับประทานอาหารก็เสพดูเสียงกิจลดของตของอาหารก็เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดถ้ารับประทานมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายส่วนเกินนั่นก็ถือว่าเป็นการเสพเสพกามเสพยาเสพติด เราจะทําให้ติดจะต้องกินอาหารบ่อยๆ บ, บางคนต้องกินเวลาหลายหลายมื้อด้วยกัน <c oughs> จนร่างกายออมีน้ําหนักเกินแล้วก็เกิดโทษกับร่างกายมีโรคภัยต่างๆปรากฏขึ้นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันเนยต่างๆตามมาอีกแล้วก็เกิดปัญหากระทบต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาการเจริญสมถภาวนานั่งสมาธิก็จะนั่งแล้วหลับกัน พอเวลากินอาหารมากๆเราจะมีความรู้สึกว่วงเหววหาวนอนเวลานั่งสมาธิก็จะหลับนั่งสงกเป็นต้นแต่ถ้ารับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไปพอดับความหิวได้ก็เลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้ร่างกายก็จะไม่อิ่มเกินไปเวลานั่งสมาธิหลังจากที่ ปล่อยให้ระยะเวลาถั้าชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปแล้วก็จะไม่รู้สึกมีความง่วงเหงาหาวนอนนั่งก็จะไม่หลับไม่สับประงกนี่คือประโยชน์ของการที่เรารักษาศีลแปดข้อศีลข้อที่เจ็ดก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากมหัรลศพบันเทิงต่างๆเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าดีก็ไปดูหนังฟังเพลงดูกว่ไป ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆหรือแล้วก็ลราเว็นการหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายเราเป็นความสุขชั่วปี๋ประดาวร่างกายเสริมยังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่ในที่สุด <c oughs> เสริมสวยยังไงต่อไปมันก็ต้องแกม่มันก็จะไม่สวยไม่งามอยู่ดีดงั้นการเสริมสวยความงามก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว วันหนึ่งข้างหน้าก็จะไม่สามารถเสรมสวยร่างกายนี้ให้มีความสุขได้อย่าเสียเวลากับการหาความสุขแบบนี้เอาเวลาที่ใช้กับการเสริมสวยความงามนี้มาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิดีกว่าแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่นอนบนที่นอนที่สำลาญที่มีฟุ่งหนาๆที่นอนแล้วสุขแล้วสบายเพราะจะทาให้นอนมากเกินไป ปกติร่างกายเวลาเหนื่อยๆเมื่อยลถ้านอนแล้วห้าสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาะมันก็จะากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนก็อยากจะนอนต่อจิตอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายแต่ร่างกายไม่นอนก็พอแล้วนอนพอแล้วก็วจะทำให้เสียเวลาการนอนไปอีกหลายชั่วโมง จึงให้นอนบนบนบนพื้นแข็งแข็งที่ไม่มีฟูกหนาๆอาจจะมีเสือ่อมีผ้าปูการ ก, กเย็นกันกนความสปกปรกอะไรเป็นต้นถ้านั้นก็พอเราจะนอนไม่มากนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาจะได้มาเจริญสมถะภาวนามาฝึกสตินั่งสมาธิถ้ามีสติคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานใด ก, กรรมฐานหนึ่งคืออารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นผูกอยู่กับพุทโธหรือผูกอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะดิ่งเข้าสู่สมาธิได้ในตาในเวลาต่อมาแล้วก็จะได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลินรสที่ไดจากการได้ราบยศสรรเสริญมา จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้า <c oughs> ไม่มีสติคอยประครับประคอง <c oughs> คอยควบคุมไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาได้ความสงบก็จะหายไปความหิวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาใช้สอนใจ ให้กาจัดเหตุท hmm. ี to to ่จะมาทำให้ใจนี้วุ่นวายไม่สงบเหตุที่จะทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบก็คือความคิดตามความอยากต่างๆอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ความอยากเหล่านี้น่ะที่จะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปถ้าต้องการจะไม่ให้ความสงบหายไปก็ต้องหยุดเวลามีความอยากต่างๆเกิดขึ้น อยากได้นู่นอยากมีนี่ก็ให้เราพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นด้วยอยากมีนั้นอยากเป็นนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันเป็นอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังไม่ยั่งยืนถาวรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไป <c oughs> แล้วความสุขที่ได้ก็หายไปแล้วความทุกข์ความเสียใจความเศร้าใจก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญา เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่อนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรากยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพชนิดต่างๆล้นวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์แล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลานี่คือการใช้วิปัสสนาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่มีใ น, ในใจให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ใจนี้สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอีกต่อไป mm hmm. นี่แหะคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่พระเจ้าบอกว่าเป็นนิบบานังปาลมังสุขขัง mm hmm. นิบบานังคือนิพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุด mm hmm. เพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด เป็นสภาพของจิตที่ได้ชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เอง<ม>นี่แหละคือวิธีเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติ<ม>ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาวิธีของการปฏิบัติว่าทำทานอย่างไรรักษาศีลนี้ อย่างไรรักษาศีลห้ารักษาศีล8อย่างไรเราศึกษาไปแล้วทำไปภาวนาทำสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบทำอย่างไรก็ศึกษาไปเรียนไปวิปัสสนาพิจารณาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาวิปัสสนาเรพิจารณาตายรักอนิจจทุกขังอนัตตานี่อง <c oughs> ถ้าเราก็จะสามารถสร้างความสงบในระดับต่างๆขึ้นมาได้จนถึงระดับ ระดับขั้นสูงสุดได้พอเราถึงระดับขั้นสูงสุดแล้วแล้วได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนถาวรแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปพอถึงขั้นนี้ผ่านแล้ว mm hmm. จิตก็จะไม่มีวันเสือ่อมความสงบความสุขที่มีอยู่ในจิตก็จะไม่มีวันเสื่อมต่อไปจิตทางทางจิตใจก็จะสิ้นสุดลงไม่มีความจําเป็นที่จะต้งปฏิบัติอะไรอีกต่อไปแล้ว นี่แหละคือความวิเศษของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมลวรแก่เวลาในลําดับต่อไปเราจะมาสร้างความสงบด้วยการนั่งสมาธิกันการที่เราจะนั่งสมาธิให้เกิดผลคือเกิดความสงบเกิดความสุขที่เหนียวกับความสุขทั้งปวงเราจําเป็นที่จะต้องมีสติคอยควบคุมใจบังคับใจ ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานเ <Okay. S 1> ช่นถ้าเราอยู่กับพุทธานุสติถ้าเราใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานเราก็ใช้คําว่าบริกรรมพุทธโธพุทธโธ <Okay. S 1> พุทธานุสติก็คือเราเลืกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีสองแบบด้วยกันระลึกด้วยการการสวดบท พุทธคุณเช่นอิติปิโสภาวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้นหรือจะเอาแบบย่อก็คือคำว่าพุทธโธเราเ ล, ลกถึงคำว่าพุทธโธบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างนี้เราก็เรียกว่าเรามีกรรมฐานผูกใจจะผูกได้นานไม่นานก็อยู่ที่สติสติแล้วต้คอยคำกับใจให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยขณะที่เรานั่งสมาธิอย่าให้ใจนีจากพุทธโธไป อย่าให้อะไรมาดึงใจไปจากพุทโธอย่าให้เสียงที่เราได้ยินนี้ดึงไปอย่าให้มีแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นมาดึงไปอย่าให้มีภาพอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจดึงไปอย่าให้อะไรดึงไปพยายามดึงกลับมาถ้าใจถูกดึงไปให้ไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ก็ดึงกลับมาอย่าให้ใจคิดใจทำอะไรให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียว ถ้าเราสามารถผูกใจให้อยู่หูดโทรได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานใจก็จะนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอรวมจิตแล้วรวมมันก็ไม่ต้องทำอะไรจะนั่งอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายจะไม่รู้สึกลำ อ, อกลำคาญกับอะไรทั้งสิน้นถึงแม้ร่างกายจะมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่มีผลต่อต่อจิตใจใจจะนิ่งเฉยใจจะมีความสุขอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ ถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราจะใช้อนาปนานสติก็ได้เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมกูกลมหายใจไม่ต้องไปบังคับไปควบคุมลมให้ดูลมไม่ให้ไปบังคับให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวปล่อยให้ใจให้ให้ลมหายใจเป็นปกติเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้บังคับลมอย่างใดเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่บังคับลมอย่างนั้นเพียงแต่ให้ ให้ให้มีลมให้ดูลมเป็นการถูกใจไว้ถูกใจไว้กับการดูลมหายใจใจจะได้ไม่ไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวใจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาใจจะเกิดความอยากขึ้นมาใจจะใจจะดิ้นและจะจําให้ใจไม่มีความสุขจะนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีอะไรผูกใจไว้ให้ใจอยู่กับอารมณ์นั้นได้ใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายมีความสุข นี่มีสองวิธีที่แนะนําดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูที่จุดเดียวจุดที่ลมสัมผัสอยู่บริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาแล้วถ้าลมละเอียดหายไปก็ให้รู้เฉยๆดูอยู่ที่จุดเดิมดูความละเอียดหรือดูความความว่างผัสจากลม แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบไม่ต้องตื่นเต้นตกใจว่าลมหายแล้วเราจะตายหรือเปล่าลมยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันละเอียดจนเราไม่สามารถจับมันได้เท่านั้นเองนี่เป็นวิธีการดูลมให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆเป็นต้นอย่างนี้อันนี้จะทําให้ใจไม่สงบหรือถ้าเราดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้จะใช้ การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอ็นทีพิโสก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทอาการสาสองก็ได้แล้วแต่เราถนัดหรือเรามีวิธีอื่นที่ทำให้ใจเรานิ่งได้เราใช้วิธีของเราก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องใช้วิธีเดียวกันเพราะกรรมฐานนี่ก็เป็นอาหารชนิดต่างๆเวลาเรากินอาหารเราก็ไม่กินอาหารชนิดเดียวกันบางคนก็กินข้าตี๋บ้างบางคนก็กินข้าวผัดบ้าง บางคนก็กินส้มตำบ้างแล้วแต่ความความพอใจชอบแบบไห น, นก็กินแบบนั้นเราชอบกรรมฐานแบบไหนเราก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปไข้อสําคัญต้องมีสติคอยผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่าเผลอถ้าเผลอลืมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดึงกลับมาที่กรรมฐานต่อหรือมีอะไรดึงไปก็ดึงกลับมาต่อต้องอยู่กับกรรมฐานแล้วใจจะนิ่งใจสงบได้ ในระดับต่อไปเราก็จะมานั่งสมาธิผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานจนการจะหมดเวลา <c oughs> ตอนนี้เวลา น, นั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่เราจะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้น่่งแล้วสงบดีไม่ดีอย่างไร ถ้าสงบดีให้สังเกตดูวิธีนั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรสติของเราเป็นอย่างไรวันนี้ถึงดีเวลานั่งข่าวหน้าเราก็จะใช้วิธีเดิมอย่าไปอยากให้นั่งอย่าไปอยากให้มันนิ่งให้มันสงบความอยากไม่ทําให้มันสงบแต่วิธีนั่งที่ถูกต้องนี้จะทําให้เกิดความสงบขึ้นมาได้ทั้งนั้นให้สังเกตให้ดี ถ้าวันนี้นั่งไม่สงบก็สแสดงว่าสติเราไม่ค่อยดีมีน้อยเราควรจะฝึกสติระหว่างวันให้มากขึ้นมันจเจริญพุโทโธพุโทโธหรือ ม, มันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วต่อไปสติเราก็จะมีมากขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้มากขึ้นต่อไปต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปชิตังตุมหังเกปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนะระโสยะถามณีโชติ ภราสยาธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาศตุมัเตภวตวันตรารโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทานุสีฤทธะนิจจังุทธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง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 ท้ง Facebook 281 YouTube พลสุชาติ Live 317 YouTube ดร V 43วิทยุออนไลน์9 Clubhouse 4หน้ากุติ203รวม857ค่ะเออถามได้เล ย, เลยถ้าใครมีคําถามมีคําถามฝ่ากจากทางบ้านค่ะ2คําถาม ข้อแรกขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาให้อุบายในการบำเพ็ญขันติบารมีให้ได้ตลาดลอดฟั่งโดยไม่สติแตกก่อนประสบความสําเร็จค่ะเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจตลอดเวลาเวลามามีอะไรมากระทบเราก็พุโทโธพุโทโธแล้วใจเราก็จะนิ่งเฉยได้แล้วก็พยายามใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้ความเมตตากับผู้อื่น เสียสละแบ่งปันอย่าเอาละเราเปรียบอย่าเบียดเบียนผู้อื่นยอมเสียสละยอมแพ้แพ้เป็นภาชนะเป็นมารคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถรักษาทันติของเราให้อยู่กับเราได้อย่างง่ายได้ข้อสุดท้ายค่ะ มีคนบอกว่าไม่อยากให้ใช้คําว่าอดทนเพราะมันเหมือนซุก ป, ปัญหาไว้ใต้พรมแล้วที่สุดเราจะระเบิดอารมณ์ออกมาเพราะอดทนไม่ไหวซุ้งหนูมองว่าเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าอดทนไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขันติบา ร, รมีไว้ในบา ร, รมีสิบทาไมสิ่งที่หนูเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่ความอดทนนี้หมายถึงว่าการวางเฉยไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรคือไม่ตอบโต้ กายดาก็เฉยอย่างนี้ก็อดทนคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะแม่ขอให้ทําธุระให้โดยที่เราต้องพูดโกหกคนอื่นแทนแม่เราไม่อยากทําบอกแม่ว่าบาปแม่โมโหเราด่าเราเราเลยขอให้พี่ชายไปทําแทนเรามีคำถามสามข้อแรกค่ะข้อหนึ่งเราบาปไหมทาแม่เสียใจไม่บาปหรอกการไปโกหกมอนบาป การทําให้คนอื่นเสียใจเพราะเราไม่ทําบาปนี้ไม่บาปแต่อย่างใดคําถามข้อที่สองเราให้พี่เราไปโกหกคนอื่นแทนเราเราบาปอีกไหมว่าเพราะเราเป็นคนสั่งก็ให้ทําแทนเราคําถามข้อสุดท้ายเราควรวางใจอย่างไงไม่ให้ทุกข์ก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับวางเฉย แต่เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคำถามต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะพี่ครับเ้เาไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะถามเรื่องนี้ไหมแต่เมื่อวานถามเรื่องแฟนที่พยายามฆ่าตัวตายแฟนผมที่ถามคำถามไปเมื่อวานนี้เขาได้ฆ่าตัวตายแล้วครับผมรู้สึกผิดมากๆที่ในช่วงนี้เขาอยากให้ผมอยู่กับเขาเขาโทรหาผมผมไล่เขาตลอดเวลา ผลักเขาออกไปเพราะผมอยากมีเวลาให้กับตัวผมเองวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะวางใจยังไงดีครับถ้าพระอาจารย์จะ ก, กรุณาและนำให้เมตตาผมหน่อยนะครับผมสับสนว่าวุ่นใจมากๆเลยครับความผิดของผมเองที่ไม่ดูแลเขาผมจะบาปมากไหมครับที่ไม่มีความเมตตาให้เขาเลยไม่การไม่มีความเมตตานี้ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บุญ ถ้าเร า, ามีความเมตตาเราเสียสละเวลาของเราให้กับเขาอันนี้เราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราไม่เสียสละเวลาเราอยู่ของเขาเราอยู่ของเราเขาอยู่ของเขานี้มันก็ไม่บาปก<ม>็บางทีมันก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของของเขามากกว่าเรื่องของเราคือเขาถ้าเขาจะฆ่าตัวตายก็ไม่มีใครไปห้ามเขาได้เพราะไม่มีใครไปสั่งให้เขาฆ่าตัวตาย เป็นการตัดสินใจเป็นการกระทาที่เขาทำของเขาเองเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเสียใจจากการที่เราไม่รักเถาเหมือนที่เคยรักกันแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้เขาเสียใจแต่ความผิดอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่ไปหลงรักคนอื่นแล้วพอผิดหวังก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายงนั้นตัวที่เป็นตัวปัญหาก็คือตัวกิเลสตัวความอยาก อย่ากให้คนนั้นคนนี้เขารักเราพอเขาไม่รักเราเราก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจเราก็ฆ่าตัวตายถ้าเราฉลาดนิดหน่อยเราก็เปลี่ยนใจถ้าเขาไม่รักเราก็ดีไม่รักเราก็แล้วไปหาคนใหม่ได้มีคนใหม่ทั้งเยอะแยะหรือถ้าเบื่อถ้าเจอคนใดมันก็แบบเดียวกันก็ลองมาอยู่แบบพระดูก็ไม่ก็จะไม่ฆ่าตัวตายนะ แมันก็เรื่องของเขามากกว่าเราเป็นเพียงแต่เป็นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ไปผลักดันให้เขาไปฆ่าตัวตายแต่อย่างใดตัวที่ผลักดันให้เขาฆ่าตัวตายก็คือความอยากของตัวเองคําถามฝากถามหน้าคุติคะ่ะภาวนาแล้วขาดความสม่ําเสมอไม่ได้ทําทุกวันจะมีอุบายอย่างไรให้ได้ทําทุกวันคะ ก็ทำเลยมีวุ่นวาถึงเวลาก็ทําลยอย่าไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนู่นอ้างนี่มันก็ไม่ได้ทําำถึงเวลาก็ทำเหมือนทําไมเวลากินข้าวถึงเวลาเรากินได้ก็ให้คิดแบบไปกินข้าวถ้าถึงเวลากินแล้วไม่กินเดี๋ยวมันก็หิวใช่ไหม <S <S ถ้าเราถึงเวลาทําเราไม่ทําเดี๋ยวเราก็ใจเราก็จะวุ่นวายได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทําตามที่เราควรจะทําได้ คำถามจากคุณไทเกอร์ค่ะภาวนาแบบสังขานุสติทำอย่างไรครับนึกถึงพระที่เคารพเช่นหลวงตามหาบัวนึกถึงภาพท่านเฉยๆพอหรือนึกถึงคําสอนท่านแล้วภาวนาครับก็นึกถึงภาพที่เรามีศรัทธาท่านหลวงตามหาบัวเราก็นึกถึงหน้าตาท่านก็ได้ออหรือนึกถึงชื่อก็ได้หนาหลวงตาหลวงตาหลวงตาบริกรรมคําว่าหลวงตาหลวงตาไป หรือถ้าเราอยากจะเราลึกถึงพระพาลยะสงฆ์ทั่วไปแล้วก็สวดบทสุปฏิปันโนไปก็ได้สุปฏิปันโนโอชูปฏิปันโนไปอันนี้ก็เป็นการเจริญสังขานุสติถ้าถ้าเจริญคําสอนของท่านก็เป็นธรรมานุสติถ้าเราลึกถึงคําสอนท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างนั้นทําอย่างนี้เราเอามาดำลึก เ, ล ก, เลกเราลึอกอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นการเจริญธรรมานุสติไม่ใช่สังขานุสติ <c oughs> คำถามจากคุณภูลมญาติที่อยู่ต่างประเทศ ฝ, ฝากเงินมาทำบุญเราควรปฏิบัติอย่างไรเช่นอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ของญาติไม่เกี่ยวไม่ใช่บุญของเราบุญของเขาเราเป็นเพียงเป็นสะพานบุญเราช่วยทำให้การต้องการทำบุญของเขาสาเร็จลงคนที่จะอุทิศบุญได้ก็คือเจ้าของบุญก็คือคนที่เสียสละเงินทองให้ไปทาบุญนะให้กับเราให้ให ให้เราทำแทนเขาเท่านั้นเองเราเป็นตัวแทนเราไม่ได้บุญจากการเสียสละแบ่งปันของเขาเราได้บุญตรงที่เราปเป็นตัวแทนของเขาเท่านั้นเองคนละบุญกันคนละอย่างกันคำถามจากคุณวิภารัตค่ะเป็นห่วงและสงสารทหารที่ต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดนไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันต้องวางใจอย่างไรคะ <laughs> ที่ไม่ห่วงทำไมทุกคนในโลกนี้ก็มีหน้าที่ของแต่ละคนเขาเขาเลือกทําของเขาเอง mm hmm. เราไม่ได้เป็นคนที่เราไปบังคับเขาสั่งเขาให้เขาไปทําหน้าที่เหล่านี้ mm hmm. มันก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของแต่ละคนก็ mm hmm. ทุกคนก็ยอมรับเพราะหน้าที่ทุกหน้าที่มันก็มีมีโอกาสที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้เหมือนกันทุกคน mm hmm. แต่การเป็นห่วงก็ดีถ้าอยากจะทําให้ความห่วงนี้มันมีน้ําหนักก็ส่งข้าวส่งของไปให้เขาเสิส่งขนมนมเนยส่งอะไรไปให้กำลังใจเขาเนี่เป็นวิธีที่เราควรจะทําถ้าเรามีความห่วงจริงถ้าห่วงแต่ปากแต่ไม่มีการกระทาอะไรไหมห่วงแบบนี้ก็ได้ประโยชน์นะไม่มีคำถามเลยเมืก่กีมีชาวต่างชาติเขาอยากจะถามอะไรหรอือเปล่า คงเป็นคนละเขาพูดภาษาจีนน้อยแต่ว่ามีข้อยังไงเขาอยากจะเป็นกาษาอังอฤษมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะคำถามแต่ต้องมามาที่ข้างหน้านี้เพื่อเอาไมโครโฟนไปพูดเดี๋ยวเราสักแป๊บหนึ่งอาจะมีคนส่งข้อความเข้ามา่ได้ นั่งการรมใครกรรมมันใครทํากรรมมันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราอย่าไปทุกข์กับกรรมของคนอื่นคนอื่นเขาทําบาปมันก็เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลบาปไปคนอื่นทํา บ, า people people too, บุญเขาก็เป็นผู้รับผลบุญไปเราไม่ได้รับผลบุญผลบาปของเขาดั้นเราไม่ต้องไปกินไม่ได้นอนไม่หลับกับการกระทําตกต่างของคนอื่นให้เรามากังวลกับการกระทําของเราก็พอถ้าเราทําบาปแล้วคนจะเลิกอย่าไปทํามัน ถ้าเราทำบุญน้อยก็ทำให้มากขึ้นอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่ากังวลกับคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยมาแต่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราโดยใช่เหตุ hmm. อฉ่งนั้นไม่ต้องกังวลคนอื่นแล้วก็มองไปตามตามกฎแห่งกรรมกันใครจะทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นไป เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลหวาดกลัวหรือห่วงใยกับใครทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีใครที่จะมาแก้กรรมของใครได้ไม่มีใครที่จะมาทำแทนกันได้ใครอยากจะทำอะไรก็เป็นสิทธิของเขา <c oughs> เราก็มีหน้าที่ดูแล ก, รการกระทำของเราให้เป็นการกระทำที่มีคุณมีประโยชน์อย่าไปกระทำกรรมที่มีโทษกับเราหรือผู้อื่น คือการทําบาปต่างๆนั่นเองอันนี้คือเรื่องของของการปฏิบัติให้ดูตัวเรามากที่มากกว่าดูคนอื่นดูคนอื่นด้วยแล้วถ้าเราทําอะไรให้เขาได้ถ้าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ให้ความช่วยเหลือนั้นไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับเขาได้เราก็ต้องทํา ทำใจให้เฉยไว้ว่ามันมันสุดวิสัยมันไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะทำอะไรได้มันไม่บาปหรอกที่เราไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญแต่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนนั้นคนนี้ได้เสมอไปพอเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจยกให้เป็นกฎแห่งกรรมไปมีอีกไหมมีคำถามฝากมาเ ป, ปา็นภาษาอังกฤษนะจะเป็นของท่านชาวรัสเซียค่ะ The essence of meditation is to close your eyes and look inwards directly at your heart, to look into the eyes of your spirit, to hear it. Is this correct? No, not correct. The essence of meditation is to be mindful of an object, such as your breathing. When you meditate, you focus your attention on your breathing, focus on your breath coming in and going out. Keep watching. This will then lead your mind to to stillness, to to become calm and become happy. Okay. คำถามจากทาง YouTube ค่ะกระผมมีความทุกข์ใจในขณะดูแลพ่อแม่ที่เริ่มแก่ตัวลงท่านเริ่มหลงลืมช้าลงและพูดผิดถูกอยู่บ่อยครั้งทําให้กระผมเกิดความหงุดหงิดและหมองใจเผอแสดงอารมณ์ไม่ดีออกไปบ้างซึ่งภายหลังก็รู้สึกผิดมาก กระผมพยายามภาวนาได้ใช้สติกับประดูจิตแต่บางครั้งก็ไม่ทันจึงอยากเรียนถามว่าในทางปฏิบตัติกระผมควรตั้งใจฝึกตัวในลักษณะใดาเพื่อให้ใจมั่นคงไม่หวนไหวกับอารมณ์และสามารถดูแลพ่อแม่ด้วยใจที่เมตตาและอดทนได้มากขึ้นครับแล้วขาดปัญญาคือพระเจ้าทรงสอนให้เรามันพิจารณาร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นว่า เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราถ้าเรารู้ความจริงกันนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยวิตกกังวลเพราะเรารู้ว่าพ่อแม่ของเราก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดเราก็จะได้ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญใจเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำอะไรให้ท่านได้ก็ทาไป ทำไม่ได้ก็ต้อง ก, ก็ช่วยไม่ได้ไปมันก็เป็นเรื่องของของร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีแม้กระทั่งหมอก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลาร่างกายจะตายรือรักษาไม่หายมันก็จะก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันคำถามต่อเนื่องจากท่านเมื่อสกักครู่ที่ถามเรื่องคออ่าตัวตายนะคะ เขาเขียนจดหมายลาตายไว้ว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะผมและขอให้ผมบวชให้เขาผมควรทำอย่างไรดีครับผมถึงจะรู้สึกดีขึ้นอคุณมาถามเราได้ไงคุณจะต้องเป็นคนรู้เองมาทำไงแล้วคุณมีความสุขใจเดี๋ยวเราบอกให้ไป บ, บ, บวชแล้วเกิดคุณกลับทุกข์ใจขึ้นมามาโทษเราอี ก, กอะไรงั <laughs> ้นคุณจะทำอะไรคุณต้องรู้สิว่าทำแล้วทำให้คุณสุขใจหรือทุกข์ใจ คำถามจะคุณอินดิสเวลีไลฟ์แพ้ยุงมากๆค่ะโดนกัดเยอะมากๆมันจะเป็นแผลเน่าหนองเป็นแผลเป็นเวลาจะไปอยู่เสนาสนะป่ากลัวยุงกัดต้องทำใจอย่างไรคะเอาขดกันยุงหานฟ้าไปให้พอได้ไหมคะก็ทายา ก, กันได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดเพื่อเป็นการป้องกัน ร, รักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยใช้ได้ไม่ได้เป็นเครื่องสมามเป็นย า, าใช้เป็นยาได้ แต่ถ้าใช้เป็นเครื่องสมาอันนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้นะจากคุณทำดีถวายพ่อหลวงทำอย่างไรถึงจะขยันภาวนาคะก็ทำไปสิถ้าไม่ทำมันก็ไม่ขยันถ้าทำมันก็ขยันคำถามจากคุณพีทิพค่ะเวลารู้สึกวูบเหมือนตกจากที่สูงจะรู้สึกตกใจ การที่เราไม่สามารถสักแต่ว่ารู้เป็นเพราะเราเจริญสติน้อยไปใช่ไหมคะใช่พอกลัวกับพุโทโธพุโทโธไปเลยฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนคำถามจากคุณเทพนิรนามคนเราเกิดมาทำไมครับก็เกิดมาเพราะกิเลสดึงเรามาเกิดกิเลสอยากให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็เลยมาเกิดมามีร่างกาย พอเวลามีร่างกายเราก็จะได้ใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพนี่คือการมาเกิดของคนส่วนใหญ่เกิดอย่างนี้แต่สำหรับคนบางคนที่มีปัญญาการมาเกิดของเขาก็คือการมาหยุดการเกิดเพราะเขาเห็นว่าการเกิดนี้ทําให้เกิดความทุกข์แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิดกัน กาจะหยุดความอยากเราก็ต้องปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปคําถามจากคุณจิรารัตเคยบอกให้เพื่อนสนิทที่ทุกข์ใจพรอสูญเสียสามีไปร่วมคอปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ที่เ้าชอบฟังธรรมของท่าน โดยเสนอตัวจะไปเป็นเพื่อนเขาด้วยถ้าต้องเดินทางไปเข้าคอกที่ต่างจังหวัดแค่นี้ถือว่าเพียงพอไหมเจ้าคะก็จ้าพอไม่พอก็ไม่รู้แหละแต่ทําได้ก็ทําไปทำไํำในได้ก็ทําไป <c oughs> <c oughs> หมดแล้วเหรอโอเคถ้าหมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนํเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ